พวกเรานักปฏิบัตินะที่ฝึกฝึกกันมาเนี่ยสมากไม่เข้าใจหลักยาเขาจะนั่งสมาธิหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบ22ปีฝึกสมาธิเล่นสมาธิหลายแบบพบวา่าถ้าเราทำสมาธิแล้วสงบอยู่เฉยๆนะไม่เกิดปัญญามันล้างกิเลสไม่ได้ สมาธิมันเป็นเครื่องคมกิเลสอะไรสีนสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กิเลสแต่คนละแบบกันสีนเนี่ยเป็นเครื่องขมจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสไปถึงคอยคุมตัวเองไว้ตั้งใจไว้ให้เด็ดเดี่ยวว่าจะไม่ยอมทําตามอํานาจกิเลสให้มันทําผิดศีลห้าแล้วสีนเนี่ยข่มใจตัวเองเพราะกิเลสมีอํานาจมาก สมาธิเนี่ยกิเลสมันอ่อยกำลังลงนะเราก็จะใช้สมาธิสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือจิตคนละระดับกันนะถ้าระดับสีเนี่ยกิเลสมันแรงเราข่มจิตบังคับตัวเองข่มจิตตัวเองตั้งเจตนาไว้ว่าเราไม่ทำผิดตามอำนาจของกิเลสแต่พอจิตใจเรามีพลังมากขึ้นนะมีสมาธิขึ้มานเนี่ยมันข่มกิเลส ให้หมดอำนาจไปไม่มีอำนาจเหนือจิตส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยเอาไปสู้กิเลสทำลายถอนรากถอนโคนกิเลสสมาธิเนี่ยจะสู้กันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเป็นคราวๆไปแย่เราทำสมาธิได้ดีวันนี้กิเลสก็ลดลงไปหายไปจิตใจเบิกบานแช่มชื่นอีกวันสมาธิเสื่อ ม, มกิเลสก็มาอีกแล้วผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่นั้น ดัเวลาที่เราภาวนานะจะพบว่าวันนี้สงบเดี๋ยวอีกวันก็ฟุ้งซ่านแลกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าตลอดชีวิตเราทําอยู่แค่นี้นะมันมันไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ไม่คุ้มกับการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาลํำพังการตือศีลการนั่งสมาธิอะไรมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันยังไม่พอท่านก็ก้าวมาสู่การเจริญปัญญา การเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อขุดลากถอนโคนกิเลสไม่ให้เหลือเชื้อเลยเนมะื่อวานหลวงพ่อก็พูดเรื่องการรักษาศีลการฝึกสมาธิสมาธิมีหลายชนิดหลายคนทําสมาธิแล้วก็ว่างๆนิ่งๆอยู่ไม่ใช้ไม่ได้สมาธิมีตั้งหลายประเภทสมาธิพวกแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบในสติ นั่งแล้วก็เคลิบเคริ้มลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไปหรือนั่งแล้วก็เคร่งเครียดนะผมตัวเองยังเครียดไปหมดเลยนะขาดสติลืมเนื้อลืมตัวไปหรือก็กเคร่งเครียดมันก็ไม่มีสติเหมือนกันพวกนี้เป็นมิจฉาสมาธินสมา ธ, มาธิที่ดีมีสองพวกพวกหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึง่งอารมณ์เป็นหนึง่งเรียกว่าอารมณุฟนิชาน สมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเอาไว้พักผ่อนแล้วก็เอาไว้ทํางานทางโลกสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิชนิดที่สองเนี่ยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นับไม่ท้วนอารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดดงนั้นเราจะใช้สมาธิชนิดนี้แหละมาเจริญปัญญาหรือมาเห็นว่า อารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสัง่ยงยันเลยเลาฝึกสมาธินะต้องฝึกให้เป็นวันใดเราต้องการพักผ่อนเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันแนบกันอยู่เช่นเราต้องการพักผ่อนจิตใจเราฟุ้งซ่านดูกายก็ไม่รู้เรื่องดูใจก็ไม่รู้เรื่อง เราต้องพักถ่อนให้ใจมีแรงก่อนใครเคยทำอาณาพนสติก็ามารู้ลมหายใจให้จิตมันจับอยู่ที่ลมหายใจทีแรกลมจะยาวลึกลงไปนะก็มีสติรู้อยู่ที่ลมเห็นลมไหลลงไปถึงท้องเ็นลมขึ้นมานะเข้าออกเข้าออกจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื้นตื้นต้ น, ตนขึ้นแพะฉั้นะในพระไตรปิฎกท่านก็พูดแบบเดียวกันนี้แหละท่านเริ่มต้นด้วยลมยาวก่อนนะแล้วลมสั้นทีหลัง ลมยาวพิกสูทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวพกซูทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้วหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้วหายใจเข้าสั้นสั้นยาวมันหยุดที่นี้เราหายใจทีแรกมันจะยาวไปถึงท้องเลยพอจิตเริ่มสงบลมจะตื้นตื้นตื้นตื้นจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกลมมันมาหยุดอยู่ที่จมูกตรงที่เรามีสติไปรู้ลมเนะ เรื่อลมหายใจนั่นอ่ะตัวลมหายใจนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมมันตื้นตื้นตื้นจนกระทั่งลมมันหยุดมันกลายเป็นแสงแสงอันนีนะ้เรียกว่าอุคคหานิมิตจะสว่างอยู่ตัวเนี้เพอลมมันหยุดอยู่ตรงนี้มีอุคหานิมิตแล้วเราก็พอหนังเราต่อเอาอุคหานิมิตเป็นอารมณ์ไม่ใช่อารมหายใจเป็นอารมณ์ละใช่อุคหานิมิตใช้แสงนี้เป็นอารมณ์นะจนกระทั่งจิตเนี้ย แนบแน่นอยู่กับแสงแล้วก็สามารถกำหนดควบคุมแสงได้ให้กว้างออกไปยังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ได้ให้แคบลงมาเล็กลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้เวลาเรากำหนดลงมาแสงเหลือดวงเล็กนิดเดียวนะแสงนั้นจะเข้มมากเลยความคมความเข้มจะสูงมากเลยลถ้าขยายาไฟก็แผ่ออกไปแล้วแต่ระดับพลังของจิตถ้าจิตเรามีพลังมาก จะรู้สึกเหมือนผ้าทิศผระจั่นนะตัวเองเป็นผ้าทิศเป็นผระจั่นเนี่ยแผ่รังสีออกไปเนี่ยสามารถเล่นอยู่อย่างนี้นะการที่จิตเข้าเคลียร์อยู่กับดวงนิมิตเนี่ยดวงนิมิตที่เราสามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิต ด, ดวงปฏิภาคนิมิตเนี่ยเมื่อเราเล่นนะจิตไปจับอยู่ที่ปฏิภาคเรียกว่าวิตตกจิตเข้าเคลียร์อยู่กับปฏิภาคนิมิตเรียกว่าวิจารณ์ ม่นจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งของจิตขึ้มนมาจิตเป็นหนึ่งอยู่กับดวงปฏิภาคนได้ปฐมฌานนี่เป็นหลักของการทําสมถะให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเช่นขึ้นขึ้นฌานต่อต่อไปนะเป็นลําดับไปสมาธิบางอย่างทําฌานได้โดยไม่มีปฏิภาคไมม่ีปฏิภาคนิมิตไม่มีแสงอะไรนะ อย่างการเจริญเมตตาเราแผ่เมตตานะแผ่ไปเรื่อยนะสัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะั้นกระแสของจิตจะแผ่กว้างออกไปคล้ายๆตอนที่เราเล่นปฏิภาคนะแต่ปฏิภาคนี่แผ่แสงออกไปนะแต่ตรงที่อย่างเราเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีดวงปฏิภาคนะกระแสของจิตจะแผ่สร้างออกไปครอบโลกธาตนะุนะจิตเชียเขลาอยู่กับความสุขความเมตตานะั้นะนะนะมีปีติมีความสุ ข, ขมันก็เป็นหนึ่งขึ้มนมาได้ แล้วก็การเจริญเมตตานี่เมตตาไม่มีรูปมันไม่มีรูปไม่เหมือนลมหายใจลมหายใจมีรูปแสงมีรูปตรงที่ลมหายใจเนี่ยจิตจับลมหายใจนะจะได้ถึงฌานที่สี่แต่ตรงที่เจริญเมตตานี่นะจิตจะขึ้นถึงอรูปฌานได้เพราะว่าเมตตาไม่มีรูปได้ประณีตขึ้นไปอีกนี่เป็นหลักของการทาสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีเคล็ดลับ สองสามเรื่องแรกเลยเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์สรรมฐานกรรมฐานเนี้ยทาเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะยอมสงบได้นะถ้าอารมณ์นั้นถูกใจจิตถ้าอยู่ๆเราเห็นเขาหรือเขาทามานาปนาสติแล้วเขาสงบเราจะทําอย่างเขาบ้างเนี่ยจิตเราไม่ชอบมานาปนาสติแล้วทํายังไงก็ไม่สงบต้องเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุข คนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจนะันไหนดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขดนไปันไหนสวมดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ันเดียวให้จิตอยู่นะอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดอารมณ์มีสามชนิดนะหนึ่งอารมณ์ที่เรียกว่า เรื่องอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆคิดถึงความตายคิดถึงความสงบอะไรเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดอยู่นะความคิดนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ชนิดอารมณ์บัญญัติใช้ทําสมถาได้ทํานิพพานาไม่ได้ที่สองเป็นอารมณ์รูปนาม อารมณ์รูปนามเช่นเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเรารู้รูปอยู่เนี่ยหรือเรารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเรารู้รูปอยู่ก็เป็นสมถะนะ <_' S 1> ถ้าแต่เป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอย่าดูแต่รูปดูแต่นามเป็นสมถะอารมณ์ของสมถทานที่สามีอารมณ์นิพพา น, นอันนี้เฉพาะพระริยาบุคคลใช้ใช้อารมณ์นิพพานทําสมถะได้ ถ้าเป็นโสดาสักตาคาอนาคาเนี่ยเวลาจะใช่อารมณ์นิพพานทําสมถะนะต้องดูรูปนามก่อนแล้วดูไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยจิตไม่เคยชินที่จะวางรูปนามแลดูไตรลักษณ์ปุ๊บมันจะวางพอวางรูปนามปุ๊บเนี่ยจิตจะสัมผัสพระนิพพานถ้าเป็นพระอรหันต์แค่นึกถึงพระนิพพาน ก, ก็เจออยู่ต่อหน้าต่ตาแล้วนะดนนะอารมณ์ของสมถะนะอะไรก็ได้เราต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุข แคลเดอยวที่ความสุขนี่แหละสรรมทานไปเพื่อให้จิตสงบวัตถุประสงค์คือเพื่อให้จิตสงบธรรมดาจิตเราจะวิ่งพล่านตลอดเวลาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจจิตจะวิ่งพล่านๆไปทําไมวิ่งพล่านวิ่งพล่านเพื่อจะหาความสุขเพื่อจะหนีความทุกข์เท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ความสุขที่พอใจอย่างเราวิ่งไปดูหนังนะมีความสุขนิดๆเดี๋ยวก็เบื่อละ ไม่ได้พอใจไม่อิ่มใจก็ ว, วิ่งไปหาอะไรกินต่ออะไรอย่างนี้นะเที่ยวเล่นไปเรื่อยบางคนไปเที่ยวผับนะเข้าผับนี้ออกผับโน้นไปเรื่อยนะมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันหิวตลอดเวลาใจอะ่ะแต่ถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตนะเหมือนเราจะตกปลาปลาชนิดนี้กินเหยื่ออย่างนี้เยเราจะเอาปลาอย่างนี้เราไป้เาเหยื่อที่ถูกใจปลามาปลาเข้ามาอยู่ที่กินเหยื่อ สาเบ็ดน่ะเหมือนสติเลยก็ปลามาฮุบเหยืออยู่ด้วยกันไม่ไปไหนละหรือเหมือนเด็กจิตเนี้เหมือนเด็กเที่ยวสนออกไปนอกบ้านเราอยากให้เด็กสงบอยู่ในบ้านไม่สนเราก็หาของที่เด็กชอบมาลอเด็กเด็กคนนี้ชอบกินไอติมก็เรียกมันมากินในติมเด็กคนนี้ชอบเล่นเกมเดี๋ยวนี้เด็กมันติดเกมแม้เด็กไม่ไปไหนเลยเด็กเฝ้าบ้านตลอดเลยอยู่แต่ในห้องเล่นแต่เกมเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันมีความสุข จิตนี่ก็เหมือนเด็กนะถ้ามันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วมันจะไม่เที่ยวร่อนเร่ไปที่อื่นมันก็จะอยู่อารมณ์อันนั้นนะเพราะงั้นเราจะทําสมาถาธรรมทานเนี่ยเราต้องดูใจของเราเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นแล้วการอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นก็มีเคล็ดลับอีกต้องอยู่อย่างสบายๆอย่าไปบังคับจิตนะอย่าบังคับจิตไม่ใช่ว่าเด็กคนที่ชอบกินไอติมเรียกเด็กมานะ คาช้อนมาตักไอติมยัดปากมันตลอดเวลานะเด็กไม่มีความสุขจิตนี้เหมือนกันอย่าไปเชี่ยวเข็นมันมากแค่น้อมน้อมไปรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็พาจิตไปดูลมหายใจสบายๆจิตจะหนีไปบ้างจิตแรกมันก็จะหนีบ้างนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็มานานๆแต่จิตก็เริ่มเชื่องอย่าไปเค้นจิตให้เค้นจิตจะไม่สงบเลยาะเครียดเพราะฉะนันะ้นเคล็ดลับของความสงบเนะี่ยอยู่ที่ความสุข ในอาพิธรรมถึงสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเรารู้หลักที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะเรื่องการทําสมาธินี่เรื่องหมูๆเลยไม่ยากอะไรละรู้จักเรื่องา อ, อารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างถ้าเล่นไพ่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจหรือบางคนเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยนะดูหุ้นเดี๋ยวหุ้นขึ้นหุ้นลงบอกเนี่ยอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือเล่นหุ้นไม่ใช่อารมณ์อันเดียว ประเดี๋ยก็ดีใจประเดี๋ยก็เสียใจอารมณ์หลายอันแกว้งไปแกลงมาใช้ไม่ได้หรอกต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วให้เกิดกิเลสรุนแรงเป็นอารมณ์ที่สบายๆหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้ทำแล้วนะคิดถึงความตายเพ่ให้ปรงสังขารนะี่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์กุศล หหายใจออกหายใจเข้าไม่มีบาปอะไรยืนเดินนั่งนอนไม่มีบาปอะไรท้องฟองท้องยุบไม่มีบาปอะไรจะใช่อารมณ์แบบอย่างพวกที่ไม่ไม่ยกกิเลสพวกเนี้ยนะแล้วก็น้อมใจไปสบายบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแค่นี้ไม่นานจิตก็จะสงบนี่จิตสงบแล้วเนี่ยอยู่แค่นี้ไม่พอนะต้องหันเดินปัญญา หลายคนที่ทําสมาธิแล้วมาติดอยู่ตรงนี้มันเป็นสมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นแหละมันเป็นเด็กติดเกมพวกติดสมาธิมันไม่ได้ต่างกับเด็กติดเกมเลยนะไม่ไปไหนเลยวันวั น, นึงเฝ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะหรือจอ iPhone iPad มันไม่ไปไหนเฝ้าอยู่นะั้นมันติดสมาธิเนี่ยนะถ้าฝึกแล้วก็จิตมันเป็นติดมันมีความสุขติดอยู่ไม่ยอมไปทำอะไรไม่ยอมตืินปัญญาเหมือนเด็กติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือนะ ยไม่ยอมเดินปัญญาต่อถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วว่าเราภาวนาแล้วก็นิ่งๆอยู่เฉยๆนะพอใจในความสุขความสงบให้รู้เลยว่าเราเหมือนเด็กติดเกมนะนะก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาสมาธิชนิดหนึ่งนะที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อันนี้เอาไว้เดินปัญญาเพราะอารมณ์จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตจะเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดู สมาธิชนิดนี้วิธีฝึกเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์ใจอารมณ์หนึ่งนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนแต่ว่าเบื้องต้นควรจะมีอารมณ์สักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตไม่ใช่เครื่องที่น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่นะถ้าจะทาสมธาธิให้จิตสงบสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์อยู่อารมณ์มันเดียวเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์จับอยู่ที่อารมณ์ แต่ถ้าเราจะทะําสมาธิ them, ให้จิตตั้งมั่นเนี่ยอย่าให้จิตไปจับที่อารมณ์แค่มีอารมณ์มันนึงมาเป็นเครื่องสังเกตจิตนั้นตัวหลักไม่ใช่อารมณ์ตัวหลักคือจิตนะตัวหลักคือรู้ทันจิตเช่นเราหาัดพุทโธหรือหัดรู้ลมหายใจก็ได้ iens, ถ้าจิตมันอยู่กับพุโทโธเราก็รู้จิตไปไหล ไ, หไปอยู่ที่ลมเราก็รู้นะจิตหนีไปที่อื่นเราก็รู้เราไม่น้อมจิตให้ติดแนบอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเรามีอารมณ์มานึงขึ้นมาเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้นนะ แต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตเนี่ยจิตล่อนเร่ อ, อย่างนี้ดูยากว่ามันเคลื่อนแต่ถ้ามีที่สังเกตเนี่ยเราเห็นชัดว่ามันเคลื่อนนะแล้วเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วน้อมจิตเป็นแนบอยู่กับรงกรรมฐานถ้าอย่างนั้นได้สมถัตินะี่เราจะทําสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลามา จิตไหลไปไหลมาได้ด้วยอํานาจของโมหะเ้วยอำนาจของกิเลส ช, ชื่ออุทธจัจจะอุทธจัจจะคือความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันไหลไปมันฟุ้งไปมันซ่านไปนะทางตาหูจมูกเล่นกายใจหรือไหลไปเพ่งอารมณ์อยู่อารมณ์มันเดียวไหลไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ที่มือไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าจิตไหลนะความฟุ้งซ่านจะขาดทันทีเลย เพราะเมื่อไหรมีสติรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันเมื่อไรมีสติรู้ทันนะเมื่อนั้นอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันวนะ่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับทันทีโดยอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งตัวนี้แหละสาคัญคือตั้งโดยไม่เจตนาถ้าเราตั้งโดยไม่เจตนานะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนจิตจะคล่องแคล่วว่องไวจิตจะควรเกีย่ยวกันงานคือไม่ขี้เกียจชี้คลานจิตจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์แต่ถ้าเราไปจำตัวตั้งมั่นได้นะแล้วอยู่ๆเราก็ไปทำตัวตั้งมั่นขึ้นมานะี่จิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกคามมันจะเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆนะัรู้ทื่อๆรู้แข็งๆรู้ด้านๆนะจิตจะหนักๆนะแทนที่จะเบาจิตจะไม่นุ่มนวลแต่แข็ง จิตจะไม่ไม่ขยันทำงานนะกูจะเกาะของกูนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ควรเกี่ยวกการงานไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เพราะนั้นเราจะต้องระวังเวลาที่จะมีตัวรู้เนี่ยอย่าบังคับให้จิตเกิดตัวรู้นะแต่ว่าอาศัยการรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่เคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปทางโน้นทางนี้รู้ทันในปกติชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตจะเคลื่อนในหกช่อง เคลื่อนไปทางตาคือไปดูเคลื่อนไปทางหูคือไปฟังไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดแต่ในเวลาที่เราปฏิบัตินะเราไม่ได้สนใจที่จะดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรสอะไรล้มันจะเหลือร่างกายกับใจเท่านั้นเองจะเหลืออยู่สองช่องงั้นอย่างเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะไหลไปที่ลมหายใจหรือรู้ท้องจิตไหลไปที่ท้องนี่มันไหลไปที่กายได้หรือบางทีก็ไหลไปคิดนี่ไหลาทางใจ แล้วจิตจะไหลยอยู่สองช่องเราั้นเวลาถ้าเราจะหัดฝึกให้จิตตั้งมั่นนะอย่ามาฝึกในชีวิตธรรมดานี่มันต้องหกช่องดูยากนะแล้วทำในรูปแบบถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นะให้ใจสบายแล้วก็นั่งไปเคยหายใจก็หายใจแต่ไม่น้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หรือดูท้องผองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้ ทำกรรมฐานสักอันหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อลดขัดสะนะให้เหลือแค่สองช่องถ้าถ้ามันมีทั้งหช่องดูไม่ไหวเนะหนีอุตรุดเลยนะแล้วก็มีสองช่องก็จริงนะแต่ตัวรู้ที่เราคอยรู้มีตัวเดียวคือรู้ทันจิตจิตจะหนีไปช่องไหนเราคอยรู้หนีไปช่องใจหนีไปคิดเราก็รู้หนีไปเข้าไปที่ช่องกายเราก็รู้เรีนะยคอยรู้อย่างนี้นะต่อไปพอจิตเคลื่อนปับ๊บมันจะรู้ทัน จีจะตั้งมั่นได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิอย่างที่สองเนี่ยสคัญที่สุดบางคนทําสมาธิอย่างแรกไม่ได้ทาได้แต่สมาธิอย่างที่สองก็เป็นพระละหันได้แต่จะเป็นแบบแห้งแรงเรียกว่าสุขวิปัสสกะไม่ค่อยสบายหรอกเครียดเครียดเหนื่อยมากเลยในการพอนานะมันคล้ายค้คนเดินทางไกล เดินทางไกลระตกค่ำนะก็ไม่มีที่จะกินที่จะนอนนะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่อะไรนะข้างถนนไปเรื่อยๆมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ไปลำบากแต่ถ้าคนทำสมาธิชนิดแรกได้นะสมาธิชนิดที่จิตอยู่ับรมได้มันเหมือนกับเดินทางไกลนะผาตกค่ำก็เข้าโรงแรมกินข้าวอาบน้ำอะไรสบายใจนอนสบายใจเช้ามีแรงก็เดินไปอีกบางทีสบายใจมากเลยไม่ยอมไปต่อนะปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้แนละ้ว สบายแล้วไม่ยอมไปต่อนะหลวงพ่อก็เคยนะช่วงหนึ่งตอนนั้นตานนาแล้วใจก็สงเสยไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่คําพันธ์วั ท, ท่านมหาชัยคนรู้จักท่านว่าเป็นพระเศษวัตูมงคลเก่งไปหาท่านหนึ่งเข้าไปซื้อวัตถุมงคลก็ไปกันทีซื้อเป็นถุงๆนะซื้อเสร็จแล้วไม่ไปหรอกนะต้องนั่งรอให้ท่านเป่าอีกทีนึงงเงี้ย หลวงพ่อก็ซื้อมานิดหน่อยคนอนื่นเขาก็เยอะนะเข้าไปก็ให้เป่าเ ป, าเป่าไปเราก็นั่งรอะจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านบ้างไหมนะนั่งๆไปเรื่อยนะแต่ถ้าเราถึงชิวเราก็ไปหาเนี่ยหลวงปู่ไม่เป่าหลวงปู่เขบอกว่าเ อ, อคนเรานะเราจะเดินทางไกลไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขเนะี่ยเหมือนเราอยู่ในทะเลทรายเราจะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็น เดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันร่มรื่นนะเลยนอนอยู่ใต้ต้นไม้เราไม่ยอมไปต่อหรอกท่านพูดอย่างนี้นะมครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนเนี่ยนะไม่บอกตรงตรงอย่างหลวงพ่อนะชอบเปรียบเปรียบเลยๆบ้างทีดาเอาไม่บอกตรงๆงหรอกว่าทำํำตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ให้ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มีบอกหรอกมีแต่เปรียบเปลยให้ฟังคนเรานี่จะเอา ไปหาที่ร่มเย็นเป็นสุขไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ต้นเดียวก็นอนอยู่ที่ต้นไม้แล้วไม่ไปไหนลนะเนี่ยเพรเะงือง น, นพวกเราที่ติดสมาธินี่พวกไอ้นอนอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละไม่ยอมไปไหนหรือพวกเด็กติดเกมนี่แหละงั้นอย่าไปหลงไหลความสุขของสมาธิมากนะสมาธิทำแล้วมันมีความสุขแล้วติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เดินปัญญาต้องรู้ว่าเรามีสมาธิขึ้นมาเพื่อให้มีแรงที่จะเดินปัญญา สมาฐานสมาธิชนิดแรกเพื่อให้มีแรงจเจริญปัญญาสมาธิชนิดที่สองเนี่ยนะเพื่อจะลงมือเจริญปัญญาเลยเปนจักตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูนะต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นแะเป็นคนดูให้ได้สมัยเมื่อสามสิบปีก่อนนะที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอจารยนะ์เข้าไปวัดไหนเนะท่านพูดแต่คําว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นะโดยอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาจารย์บางองค์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยหลวงปู่สิมเนี่ย เจอหน้าหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยเพราะอะไรจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจินทรอนตัวออกมาเป็นคนดูได้อยู่ได้เป็นวันๆอยู่กั้นนะอยู่ได้ทิงหลายๆวันเลยทรงตัวที่รู้อยู่กันนะทำไมมันทรงได้มากเพราะนฝึกสมาธิมาเยอะนะอยู่สมาธยี่สิบสองปีนะจิตมันมีพลังมากมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้หลักว่าจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเคลื่อนปุ๊บเด่นดวงอยู่งั้นเลยเราก็ดูธาตุดูขันทํางานได้ทิงหลายๆวัน ถ้าไม่ทำสมาธิไปนานๆก็เสื่อมนะจิตจะเคลื่อนออกไปนอกไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อบอกจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานอันนี้เคยเป็นมาแล้วตรงที่จิตไม่ถึงฐานเนี่ยหลวงตามหาบัวแก้ให้ไปบอกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูแล้วทำไมมันไม่พัฒนาช่วงเนี้ยท่านมองปับ๊บท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะม่ใช้คำเงี้ยดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้ว ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยนะอะไรอะไร ก, ก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกท่านว่าอย่างนี้เข้ามาพุทโธพุทโธนะใจยังไงจะแตกเลยใจไม่เอาพุทโธเฉลียวใจถ้าเมือท่านจะให้พุทโธอ๋อจิตเราไม่ถึงฐา น, นถ้านมารู้ลมหายใจพ่อเล่นอนาปนสาาติได็กๆพ่อหายใจปุ๊บจิตก็เข้าฐานนะแทบเขี่ยหัวตัวเองเลยเสียเวลาเป็นปีเลยนะไปหยุดในว่างๆดังนั้นะเรื่องสมาธิเนี่ยนะชั้นเชิงเหมือนเยอะนะ้นหลอกพวกเรา จะเปซสภาได้เยอะเลยงั้นจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องถึงฐานจริงๆริ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้บ่อยๆนะจิตจะถึงฐานขยันดูทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เสร็จคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตจะได้ได้ตั้งมั่นถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากนะก็น้อมันไปอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตสงบได้พักผ่อนมันได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็คอยปล่อยมันจะไปจับที่ตัวอารมณ์คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจะตั้งมั่นขึ้นมา นี่พจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญานี่มีสองกลุ่มใหญ่ๆคือการรู้รูปกับการรู้นามที่จริงท่านแยกอย่างนี้นะไม่ได้แยกรู้รูปรู้นามท่านแยกว่าการเจริญปัญญานี่มันมีสองค่ายพวกหนึ่งสำหรับพวกที่มีจริตนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะ ปกติคนจะมีจริตนิสัยผสมไม่ได้มีอันเดียวหรอกจะผสมกันจริตในการทํำวิปัสสนามีแค่สองจริตเท่านั้นนะถ้าจริตในการทําสมถานี่มีหกจริตในการเลือกอารมณ์มีอะไรนะราคะจริตโทษาจริตโมหจริตนะศรัทธาจริตพุทธที่จริตวิตกจริตหกอัเนียนเป็นสิ่งที่พวกเรามักจะคุ้นเคยแต่จริตในการทํำวิปัสสนานี่ยมีสองจริตเอง คือตันหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับพวกทิถิ beauty, จริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงแต่ปกติคนมันจะมีทั้งคู่นะแต่เพียงตัวไหนจะเด็ดเท่านั้นสมมติเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันวันหนึ่งเรามีพฤติกรรมเหมือนนกหงส์หยกคอยส่องกระจกทั้งวันอย่างนี้นะพวกเนี้รักร่างกายมากกรรมฐานที่ เ, screen, เหมาะกับพวกรักกายมากนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามมากนะ คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะอะไรเพราะกายและเวทนามันจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายนะถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยกรมาฐานที่เหมาะนะคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาสองอันนี้เหมาะกว่พวกคิดมากนะเพราะจิตเวลาเราคิดเนี่ยนะจิตจะเปลี่ยนคิดเรื่องนี้จิตมีราคาคิดเรื่องนี้จิตมีโทสะคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลเ จะเห็นคนช่างคิดเนี่ยจิตจะหมุนตี้ยวเตเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยเอามาเจริญสติเจริญปัญญาเนีจะไปได้รวดเร็วทําไมแต่ละกลุ่มจริตมีสองกรรมฐานพวกตัณหาจริตมีสองกรรมฐานคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนากายานุปัสสนาสําหรับพวกที่อินทรีย์ยังอ่อนพวกสติปัญญายังอ่อนกายเนี่ยดูง่ายกว่าเวทนานะ อินทรีกล้าแข็งขึ้นมาแล้วก็ไปดูเวทนาชัดเจนพวกที่ถี่เฉลี่ยแจ่วความคิดแจ่ว่าเห็นมีส อ, อันคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาดูง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดลึกซึ้งสําหรับพวกที่ปัญญากแก่กล้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากกายหรือจากจิตก่อนนะไม่จําเป็นเลยถ้าอินทรีย์เราแก่กล้านะโดดขึ้นธรรมานุปัสสนาเลยยังได้ มีตัวอย่างก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะวันที่บราารลุพระอรหันต์เนี่ยบราารลุโดยการเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานนะดังนั้นบา ร, รมีท่านมากบุญบา ร, รมีอินทรสีแก่กล้าเต็มสมบูรณ์ะโดดขึ้นอันสุดท้ายเลยไม่ต้องมาต่อแต่ต่อแต่อย่างพวกเราหรอกแต่พวกเรานะเจียมเนื้อเจียมตัวถ้าเป็นพวก ตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกตายไปพวกแจความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตดูใจไปทางใครทางมันนะแต่บางคนเนี่ยผสมผสานกึง่งกึ่งพอๆกันทั้งสองอย่างนะพวกนี้ดูว่าอารมณ์อะไรเด่นก็รู้ว่านั้นแหละกายเด่นดูกายจิตเด่นดูจิตแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันดูตัวเองอย่าดูคนอื่น ต้องดูตัวเองว่าควรจะใช้กรรมฐานอะไรนะนี่คือเรื่องของการเลือกอารมณ์กรรมฐานเพื่อทำมีปัสนาแล้วนะมนเวลารักไปกินข้าว น, นี้สอนละเอียดเรื่องสมาธินะเริ่มขยับขึ้นเรื่องมีปัสนาละ